คนในสังคมสมัยใหม่มีจานวนมากมีปัญหาด้านจิตใจอย่างต่างตาว่าความเครียด เ, ยยเรียกว่าเจ็ดสิบปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้มีปัญหาอันนี้มากหรือน้อยทามากก็ <S 2> <S 2> <S 2> กเกิดประการซึมเศร้าความวิตตกกังวลอย่างหนักเดี๋ยวนี้ยา ที่ใช้บรรเทาความเครียดเนะนี่ยนเป็นยาที่ขายดีรวมทังยาระ ง, งับความซึมเศร้ายาที่ระ ง, งับที่คลายความเครียก็มีสารพัดนะยานอนหลับหรือว่ายาที่ลดความวิตกกังวลลดความซึมเศร้าหรือว่า ยาที่ลดอาการกระสับกระสายแต่ว่าผลข้างเคียงก็เยอะตอนหลังก็มีหลายคนเขาก็พยายามที่จะเลี่ยงไม่ใช้ไม่ใช้ยาเหล่านี้เพราะมันแรงแล้วก็มีผลข้างเคียงมากมายซึ่งางทีอาจจะเบลอๆไปเลยนะหรือว่า ไม่คม่อยมีความเบิกบานเท่าไหร่มันก็มีีมัยก็มีวิธีการหลายอย่างที่ช่วยบรรเทาอาการทางจิตใจได้ที่น่าสนใจคือมีการใช้สัตว์เลี้ยงนะเรียกว่าบำบัดด้วยสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงก็ อาจจะได้แก่แมวหมานะบางทีก็ไปถึงขั้นปาโลมาเียคือให้คนได้ไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงที่มันเชื่องแล้วก็คุ้นเคยกับคนในในอเมริกานี่มัน มีหมาวุทยายหนึ่งนะนักศึกษามีความเครียดมีความมีโรคซึมเศร้ามากก็มีโครงการจัดหาจัดหามหมาเนี่ยให้ไปเป็นเพื่อนเจ้าของหมานี่ก็เป็นพวกอาสาสมัครกันนะเขาเขามีหมาที่เชื่องแล้วเขาก็ให้ ยินดีให้เช่านะให้ยืมดีกว่าให้ยืมหมาไปเป็นเพื่อนที่บ้านหรือที่หอพักสำหรับนักศึกษาที่มีอาการซึมเศร้าก็ไม่รู้รายละเอียดนะว่าเขาให้ให้ยืมกี่กี่วันหรือว่า ก, กี่อาทิตย์แล้วก็กบกว่ามันเป็นที่นิยมมากนะเพราะว่าคงจะช่วยบรรเทาความซึมเศร้าของหมาไอ้ของคนได้ อันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะก็คือว่ามีการให้ยืมนะแล้วหมานี่ก็เหมือนกับว่าพร้อบนะที่จะไปไปเจอคนใหม่ๆ ห, หรือเปลี่ยนสถานที่เคยได้ยินแต่ว่ า, าถ้าจะไปให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเช่นหมาเนี่ยไปไปช่วยบำบัดก็ต้องไปหาเขา ไปหาคลินิกไปที่สถานบำบัด้วสถานบำบัดนั้นก็จะมีหมามีหมาบ้างมีแมวบ้างบางทีก็มีปลาโล ม, มาบ้างนะก็ให้ไปใหไปอยู่กับเขาอยู่ก็สักชั่วโมงสองชั่วโม ง, ง, โมงนี่เป็นตน้นแต่ประเภทว่ามีการให้ยืมหมาเนี่ยไปเป็นเพื่อนนะช่วยบำบัดอันนี้ก็คงจะเพิ่งมีนะ มันก็ช่วยได้นะอาจเป็นเพราะว่าคนเนี่ยเหงาเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยมีสัมพันธ์กับผู้อื่นเท่าไหร่แต่จิตใจในะมนุษย์เราในสังคมก็ต้องการความการติดต่อสัมพันธ์กันก็เลยอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไ f เฟ e บุ๊กเนี่ยนะแพร่หลาย เพราะว่ามันตอบสนองความต้องการจิตใจของคนสมัยใหม่ที่ต้องการการติดต่อสัมพันธ์กันแต่ในส่วนหนึ่งก็หวงแหนความเป็นส่วนตัวอยากจะมีโลกของตัวเนี่ยอันนี้ก็เลยทําให้ facebook ก็แพร่หลายมาในสังคมสมัยใหม่แต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบสนองความต้องการส่วนลึกลคนที่เล่น facebook จํานวนมากก็เป็นโรคเครียดแถมเครียดหนะัก พอ a c e b o o กก็มีนะเราก็มากเลยคือดีอย่างเสียอย่างนะไม่ใช่แค่เสียเวลายอย่างเดียวนะบางทีมันเสียอารมณ์นะมีความโกรธความเกลียดความเครียดความวิตกความอิจฉาเห็นคนอนื่นเขามีความสุขนะจากจากที่เขาได้ถ่ายภาพตัวเองเซลฟี่ เขยิมแย้ยเบิกบานก็ไปเที่ยวสที่ต่างๆเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูเขาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนก็ถ่ายรูปมาให้ดูไอคนที่ไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินนะหรือว่ายัางมีความวิตกกังวลมีภาระเรื่องงานเห็นแล้วก็อิจฉาตัวเองส่วนตัวนี้ผิดปกติหรือเปล่านี่ก็เลยเครียดหนักขึ้นคร mm hmm. าวนี้ พอได้มีสัตว์มาช่วยนะเป็นเพื่อนนะก็ทำให้ผ่อนคลายหรือทำให้รู้สึกว่าได้มีมีความอบอุ่นใจนะเพราะอย่างที่ว่าคนเราต้องการต้องการเพื่อนแต่สมัยนี้เพื่อนนี่มันก็หายยากนะไม่มีเวลาบ้างหรือว่าจุกจิกจูกจ้จี้ความคิดไม่ตรงกันบ้างแต่สัตว์เลี้ยงนี่มันเหมือนกับว่ายอมรับเราทุกอย่างนะ ยอมรับตัวเราทุกอย่างแล้วก็มันก็มีสเสน่ห์นะอกจากนั้นในี่การที่มีหมาเป็นเพื่อนก็ช่วยทําให้มีการทําให้ไม่หมกมุ่นกับงานการไม่หมกมุ่นกับการเรียนนะคนความเพียรสื่อมเกิดจากการที่มันหมกมือการเรียนมากหมกมือการงานมาก หรือไม่ก็อยู่หน้าจอมากเอพอมีหมามาก็ต้องเล่นกับหมาต้องพาหมาไปเดินเล่นต้องหาอาหารให้หมา แ, แค่เล่นกับหมานี่มันก็ผ่อนคลายแล้วล่ะทำให้ไม่ต้องไปไปจมอยู่กับงานการคือเป็นโอกาสให้ได้พักบ้างนะพักสมอง พ, พักตาไอ้พวกนี้มันก็มีส่วนนะการที่ความเครียดจากการทำงานก็ทำให้เกิดความซึมเศร้าได้ นั่การที่มีหมามาช่วยเป็นเพื่อนนี่มันก็ช่วยบรรเทาความซึมเศร้าความเคร่ยงคนไปได้เยอะนะแต่ไม่ใช่เพราะเรื่องความเครียดความซึมเศร้าบางคนก็มีอาการพิเศษแปลกๆเช่นความกลัวความกลัวกลัวโน่นกลัวนี่กลัวไปหมดให้หมาก็ช่วยได้นะมีหมาบ า, บางตัวนี่เขาฝึกมาเลยนะเพื่อให้ให้ไวกับ กับอารมณ์หรือที่จริงให้วัยต่ออากับกริยาของคนที่มีความกลัวเช่นก็ให้คุยกับเจ้าของหมาเนี่ยตอที่คุยเนี่ยพอพอคนที่มีคนไข้นี่เขาเกิดมีความกลัวความวิตกกัขึ้นมาเนี่ยหมามันรู้นะเมือที่คนคุยด้วยยังไม่รู้เลยนะแต่หมานี่มันไวมาก หมาสังเกตจากอะไรสังเกตจากหัวใจที่เต้นเร็วคนที่มีความวิตกคกังวลหัวใจจะเต้นเร็วลมหายใจก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอากับกริยาหน้าตาก็า จ, จะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเท่านั้นแหละบางทีคนเราไม่สังเกตนะแต่หมาเนี่ยหมาที่ฝึกมามันจะสังเกตมันได้ยินหัวใจที่เต้นผิดปกติมันเห็น อาการเกรงหรือความเปลี่ยนแปลงที่ใบหน้าหรือแม้แต่สีหน้าหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่อากับกริยาท่าทางซึ่งมันเล็กน้อยมากนะคนธรรมดาเนี่ยไม่สังเกตหรือไม่รู้นะแต่หมาเนี่ยที่ฝึกมามันรู้แล้วมันจะทำไงมันก็ชวนมันก็เห ào, ่าบ้างทอะไรบ้างค่อยๆดึงความสนใจออกจากออกจาก ความวิตกกังวลจากความกลัวมันคอยดึงหันเหคนไข้เนี่ยไม่ให้รงอยู่ความกลัวด้วยการเหา่าด้วยการเข้าไปทักเข้าไปเข้าไปก็ไปพูดไปคุยไปไปแตะไปต้องตัวอะไรอย่างงี้นะแล้วมันช่วยได้ทาให้คนเรียกว่า อาการที่กลัวตื่นตโนกก็ลดลงไปเยอะนะมา้ามันถ้าฝึกมาดีๆมันจะสังเกตได้ไวแต่ถึงแม้ไม่สังไม่ฝึกมาดีดนะไม่ต้องฝึกมาโดยเฉพาะเนี่ยมันก็สังเกตนะมานี่มันที่เขาบรรลุใจเจ้าของมันไม่ใช่เพราะมันมันมีเจตโตรปริยาญาณนะแต่มันสังเกตจากอากัปกริยาสีหน้า ของเจ้าของคืออารมณ์คนน่ะอารมณ์คนกับอาการเนี่ยทางกายนี่มันมันไม่ได้แยกกันนะ อ, อารมณ์คนเนี่ยมันก็ส่งผลมาที่อากับอากับกิริยาหรืออาการทางกายด้วยตั้งแต่ข้างในนะก็คือหัวใจการเต้นของหัวใจการ การทำงานของปอดเนี่ยจนโจะทั่งที่แสดงมาถึงที่ใบหน้าสีหน้านะแม้อารมณ์จะแม้อาการเหล่านั้นจะเล็กน้อยนะแต่หมามันก็สังเกตได้หมาจึงรู้ว่าเจ้าของตอนที่อยู่ในภาวะอารมณ์ใดดีใจเสียใจหรือโกรธมันไม่ใช่แค่สังเกตจากเสียงเท่านั้นนะ น้ำเสียงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ถึงแม้ไม่แสดงออกมาทางน้ำเสียงเลยอาการปริยาและอาการที่ปรากฏเนี่ยมันก็รับรู้ได้และมันไวมากยิ่งสัตว์ที่ฝึกมาอย่างดีนะหรือว่าสัตว์ที่มันอยู่กับคนมากๆเนี่ยคุ้นเคยคนนี่มันมันจะสังเกตได้ไวแม้กระทั่งแม้กระทั่งแค่แวล ต, ตาเท่านั้นแหละ เมื่อสักเจ็ดสิบแปดสิบปีก่ามีม้าตัวหนึ่งนะเป็นที่เรื่องหลือว่ามันเนี่ยคิดเลขได้ไม่ใช่เลขเลขหลักเดียวเท่านั้นนะเลขสองหลักสามหลักเนี่ยบวกแล้วคูณหารนี่มันมันรู้คำตอบมันเลยก็มีการทดลองหลายครั้งนะเช่นให้คนผู้ชมตั้งโจทย์มาว่าห้าสิบแปดคูณปดสิบเก้ากับเท่ากับเท่าไหร่ นะหรือว่าเอาเลขสามหลักมาบวกกันหนึ่งสองสามบวกกับสี่ห้าหกได้เท่าไหร่เ้วก็จะถามมานะถามมาว่าอันนี้ใช่ไหมนะถ้าไม่ใช่นี่มันก็เงียบๆนะ แต่พอเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะั้นมันพยักหน้ามันพยักหน้าเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคำทุกคำถามเลยมันสามารถที่จะพยักหน้าตรงคําตอบที่ถูกต้องแล้วคนก็อัศจรรย์มากมันไปเรียนมาจากไหนนะนี่ใครสอนนะถ้าทำเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ตอบถูกหมดนะ เปลี่ยนคนนะเปลี่ยนคนมาถามมันไม่เอาเจ้าของเอาคนอื่นนะมันก็ตอบได้ถูกหมดเลยนะแต่ตอนหลังเขาใช้วิธีที่ตอนหลังก็พบว่าจริงๆเนี่ยหมาเนี่ยมันไม่ไ ด, มไมได้มันไม่ได้โวลบคุณหาในใจเลยหรอกมันสังเกตที่แววตาของคนถาม คือถ้าคนถามถ้ารู้คำตอบเนี่ยคนถามถะารู้คำตอบนะคนที่ถามคนที่ถามมาน า, มมานะคนที่ถามมาเนี่ยทะลรู้คำตอบอยู่ในใจเนี่ยพอพอเอ่ยคาตอบนั้นมาเนี่ยมามามันจะรู้เลยว่าเนี่ยนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องมันสังเกตที่แววตา เขาเปลี่ยนไปให้คนที่ถามมาเนี่ยถ้าเกิดคนที่ถามมาเนี่ยไม่รู้คำตอบเลยนะมามันตอบม่วยหมดเลยตอบผิดตอบถูกม่วยหมดเลยถ้าหาว่าคนที่ถามมาเนี่ยว่าตัวนี้คำตอบนี้ใช่ไหมถ้าคนถามเนี่ยไม่รู้คำตอบที่แท้นะแววตาสีหน้าเนี่ยมันก็เหมือนเดิม มามก็เลยตอบไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะมันเป็นเป็นตัวอย่างของตัวอย่างที่ชี้ว่าสัตว์เนี่ยมันมีความความสังเกตที่ที่ที่เล็กอ่อนมากนะมันไม่รู้ความเคร่งคนหรอกมันไม่รู้อารมณ์คนหรอกแต่มันดูจาก สีหน้าท่าทางซึ่งแสดงออกมานะเป็นตัวสะท้อนอารมณ์คนเ้อนานี้ก็ถ้าอยากฝึกแบบนี้ก็ทำได้นะเขาพบ ว, ว่าคนเนี่ยคนที่มีปัญหาทางสมองเนี่ยจงกระทั่งฟังภาษาไม่รู้เรื่องมันจะมีนะคนที่ คนที่เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วสมองส่วนที่รับรู้เรื่องเรื่องภาษาเนี่ยมันเสียไปอย่างพูดพูด่เนี่ยกขาฟังไม่รู้เรื่องเขาได้ยินนะมันก็มีบางคนอ่านไม่ออกเลยนะเคยอ่านได้เนี่ยพอมีปัญหาที่สมองนะเห็นตัวหนังสือเนี่ยอ่านไม่ออกถาม่าตัวนี้ A ตัวนี้ b กอไก่ขอขายไม่ต่อได้หมดแต่ว่าผสมอักษรเป็นคาหรือเป็นประโยคไม่ได้ แบบนี้มีนะแต่คนที่ฟังภาษาไม่รู้เรื่องนะแต่สามารถจะบอกได้ว่าคนที่พูดตอนหน้าตัวเองเนี่ยมีอารมณ์แบบไหนพูดจริงพูดเท็จนะคนมันมีคนแบบนี้อยู่พอสมควรนะที่ไม่สามารถจะฝึกที่ไม่สามารถจะถอดความหมายจากคาพูดได้แต่สามารถจะเดาได้ จากน้าเสียงแล้วก็จากสีหน้าให้นักการเมืองมาพูดเนี่ยเช่นเอาวิดีโอนักการเมืองมาพูดเ็าจะบอกได้ว่าตอนไหนที่นักการเมืองนี่โกหกนะดูจากสีหน้านะแล้วก็น้ำเสียงแต่ความหมายไม่รู้เรื่องนะ เพราะภาษาความรู้ทางภาษามันเสียไปอันนี้มันแสดงว่าแสดงว่าคนเราเนี่ยนะเวลาไม่ว่าจะเวลาเวลามีความคิดหรือมีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันมันสะท้อนออกมาทางร่างกายด้วย มันจะซอสทดสอบออกมาทางร่างกายตั้งแต่ร่างกายภายในนะเช่นหัวใจกล้ามเนื้อจะถึงร่างกายอาวัยวะภายนอกเช่นสีหน้าแววตาท่าทางรวมทั้งอิเลียบทนะ ใจกับกายนี่มันมันใกล้ชิดกันมากเนะี่ยใจกับกายนี่มันใกล้ชิดกันมากใจเนี่ยหมายถึงอารมณ์เนี่ยมีอารมณ์อะไรเนี่ยมันแสดงออกมาทางคือมันส่งผลมาที่ร่างกายด้วยนะอารมณ์อะไรก็าตามเนี่ยมันรู้แล้วจะส่งผลมาที่ร่างกาย แม้ว่าผลนั้นแม้ว่าผลนั้นเนี่ยมันจะส่งแม้ว่าไอ้มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่ร่างกายก็ตามเนี่ยแต่ถ้าสังเกตมันก็จะเห็นก็จะรู้ว่าอารมณ์ของผู้พูดของคนที่อยู่ต่อหน้านั้นคืออะไรสัตว์เนี่ยมัน มันอยู่กคนมาแล้วมันก็เฝ้าดูคนนะมันเฝ้าดูคนมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กความกาเชื่อคนนี่มันก็ทำให้มันสังเกตความเปลี่ยนแปลงแมเพียงเล็กน้อยของของเจ้าของได้สีหน้าแววตาท่าทางอิเรีย บ, บทนะรวมทั้งเสียงเต้นของหัวใจเสียงลมหายใจ เพอกลิ่นนี่ยนะมาที่ดมกลิ่นเนี่ยแล้วนี้เราก็รู้อยู่แล้วมันดมกลิ่นยาเสพติดได้บางทีมันดมกลิ่นคนที่เป็นมะเร็งได้ด้วยนะคนที่กําลังเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ต้องไปสแกนสเกินอะไรนะแต่นี่หมาบางชนิดนี่มันมันดมกลิ่นไม่ดมกลิ่นหายใจหรือว่ากลิ่นตัวเนี่ยมันก็รู้ว่าคนไข้เนี่ยมีมะเร็งชนิดไหน ต้องเป็นบางชนิดนะไม่ใช่ทุกชนิดมันรู้ได้ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องความเจ็บป่วยทางกายแต่พูดถึงความพูดถึงอารมณ์ทางใจเนี่ยนะมันแสดงออกมาหรือมันส่งผลมาที่กายด้วยอันน้ก็น่าคิดนะว่าหมานี่มันรู้ได้แต่เจ้าตัวนี่ไม่รู้นะเจ้าตัวนี่ไม่รู้ว่าอารมณ์ของตัวนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรแต่หมานี่มันรู้ แต่ที่จริงเนี่ยคนเราเนี่ยนะถ้าว่าเราได้ฝึกดีๆนะเราก็จะรู้เหมือนกันนะเราก็จะรู้ว่าเวาเราเวลามีอารมณ์ใดเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ร่างกายอย่างไรบ้างเวลาเราพูดถึงการรู้กายรู้ใจเนี่ยซึ่งเป็นหลักของการเจริญสติเนี่ย รู้กายเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่ารู้ว่ากายกำลังทำอะไรกำลังยืเนเดินนั่งนอนเท่านั้นนะแต่ควรจะรู้ไปไปถึงขั้นว่าตอนนี้หัวใจมันเต้นเร็วไหมหรือมันเต้นปกติหรือมันเต้นรัวตอนนี้ลมหายใจเป็นยังไงลมหายใจถี่สั้นตอนนี้มือเกรงไหม ตอนนี้น้านน้คิดเขาหมววหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือคือคือส่วนหนึ่งของการฝึกรู้ให้รู้กายด้วยวเวลารจดจิติเนี่ยนะเราเราอย่าหยุดเพียงแค่ว่าออรู้ว่าตอนนี้นะกำลังทำอะไรกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนกาลัง ใส่เสื้อผ้ากำลังคู่ขาเหยียดขาอันนั้นมันยังหยาดอยู่การที่รู้ไปจนถึงว้าว่าตอนนี้เอาอหว่งต่างในร่างกายมันมีความผิดปกติไม้เนี่ยนี่ก็สำคัญมันช่วยทำให้บรรเทา บรรเทาอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เช่นเวลากลัวเนี่ยเวลากลัวเนี่ยคน trabalho, นอกจากไปรู้ทันความกลัวที่เกิดขึ้นในใจหรือเวลาโกรธเนี่ยรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยบางทีเราลองมาสังเกตดูนะดูกายของเราหัวใจเป็นยังไงนะลมหายใจเป็นอย่างไรเนื learn, ้อตัวเป็นอย่างไรเนี่ยพอรู้เนี่ยมันช่วยบรรเทาความโกรธความกลัวได้นะ ให้การรู้ทันความกลัวเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาความกลัวรู้ทันความกลัวก็ช่วยบรรเทาความโกรธแล้วแต่บางทีการมาดูที่กายเนี่ยมัารู้กายเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันบางคนความกลัวรุนแรงนะแล้วก็ถ้าจะไปดูความถ้าจะไปรู้ทันความกลัวมันรู้มันรู้ทีไรเพล่เข้าไปในความกลัวทุกทีเลยหรือความกลัวก็เหมือนกันนะ พยายามจะรู้ทันมันแต่ว่าแปลว่ารู้ทีไรมันมันไม่เห็นมันเข้าไปเป็นเลยคือดูอารมณ์ไม่เป็นนะดูเวทนาก็ดูไม่เป็นนะดูทีไรแทนที่จะเห็นมันเข้าไปเป็นเลยแต่ว่าวิธีช่วยเนื้อคือไปดูกายนะตอนที่มีความโกรธความกลัวความเศร้าเนี่ยกายเป็นอย่างไรคนที่กำลังโกรธมากๆนี่นะเออมาดูสิลมหายใจ เห็นลมหายใจที่มันทีสั้นเห็นหัวใจที่เต้นเร็ว <the sound> เห็นหมือที่กำเกรง yang, ไอการที่มารู้ตรงนี้นะมันช่วยทำให้รู้ทันความโกรธได้ดีขึ้นความกลัวก็เหมือนกันนะ ừ หมอวิทาเนี่ยเคยเล่าเนะี่ยเป็นหมอผ่ตาตัดเล็กนะเวลาจะผ่าตัดก็คนไข้ก็กลัว หมอบอกไม่ต้องกลัวนผ่านนิดเดียวเองเดี๋ยวก็หายอธิบายยังไงคนไข้ก็กลัวหมอบอกว่าอย่างไหมอฉีดยาชาให้ยังไงก็จะฉีดยาชาอยู่แล้วไม่เจ็บหรอกฉีดยาชาก็จะผ่านแล้วก็ไม่เจ็บคนแคยังกลัวเพอเพอกลัวเข็มที่ฉีดยาชาด้วยอธิบายยังไงก็ยังไม่หายกลัวบางคนกลัวแค่ั้งว่ายาชาหมดเลยแล้วก็ยังเจ็บ ยาชายังไม่ยาชายังไม่หมดลิ่นเลยก็ยังปวดคือมันต่อต้านมันดื้อกับยาชาแต่ตทั้งหมอวิธามบอกว่าเนี่ยไปอธิบายคนหายกลัวยี่มีประโยชน์นะก็เลยใช้วิธีการให้มาดูความกลัวเสเลยความกลัวเป็นยังไงเลี้ยให้คะแนนความกลัวตอนนี้ความกลัวกี่คะแนนนะกลัวหกเจ็ดคะแนนนะให้ประเมินความประเมินให้คะแนนความกลัวนี่ก็ช่วยทําให้เรามาดูความกลัวได้เหมือนกัน ช่วให้รู้ทานความกลัวความกลัวเป็นยังไงนะตอนนี้ลมหายใจเป็นยังไงหัวใจเป็นอย่างไรก็บอนหัวใจเต้นเร็วนะหายใจมันทีะน ะ, ะมอนนะือมันเกร็งนะแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรนะความรู้สึกมันมันหนักหนักนะมันวิววิวอะไรเงี้ยเขาก็ว่าไปพอ ทำนี่ไปได้สักพักเนี่ยคนไข้ก็จะกลัวน้อยลงนะคือให้มาดูกายแล้วก็ดูใจด้วยนะดูกายคือดูร่างกายโอ้ยต่างต่างมันเป็นยังไงดูใจก็คือดูความรู้สึกนะความกลัวก็ลดลงนะจากหกเจ็ดก็เลือจากสองหรือสามยังมีความกลัวแต่ลดลงวิธีนี้มาใช้กับเด็กก็ได้นะเด็กที่กลัวเนี่ย กนวโน่นกลวนี่เนี่ยลองออชวนให้เด็กมาดูมารับรู้อารมณ์มารับรู้กายของตัวน <c oughs> ถ้าเราหันมาหมั่นมันมาดูกายบ่อยๆดูกายบ่อยๆมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายที่ละเอียดขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับอารมณ์นะนั่นจะว่าไปนการรู้ การรู้กายเนี่ยก็เป็นสะพานเป็นสื่อให้เราไปรู้ทันอารมณ์ได้ได้ดีขึ้นเหมือนกั น, นบางทีการจะรู้ทันอารมณ์ก็ จ, จะถ้าเป็นอารมณ์ละเอียดอ่อนก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามาสังเกตที่กายเออมันรู้ได้เหมือนกันก็ขนาดหมาเนี่ยนะมันยังมันก็ยังรู้เลยนะว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่อ ตอนนี้อยู่ในอารมณ์ไหนมันไม่ให้สังเกตที่ใจมันสังเกตที่กายมันดูที่กายมันใช่ตามันใช่หูมันใช้อ่าถึงขั้นใช้กลิ่นถึงแม้แต่ถึงแม้ไม่ใช่กลิ่นนะแค่แค่ตาหรือหูเนี่ยมันก็ช่วยได้นี่ขนาดมาซึ่งเป็นเรียกว่าสิ่งภายนอกมันยังรู้เลยว่าเราเนี่ยอยู่ในอารมณ์ใดแล้วเราซึ่งเป็นเจ้าตัวเองเนี่ยนะ มันจะไม่สามารถจะรู้ได้เฉยหรือเป็นแต่เราไม่ไม่ไม่ละเอียดพอไม่ไวพอหรือว่าไม่ไม่หมั่นสังเกตพอถ้หาหมันสังเกตพอต่อไปเนี่ยนะมันก็จะผ่อนคลายได้ง่ายเนี่ยเพราะว่าเวลาเราอยู่ในอารมณ์เครียดอารมณ์โกรธอารมณ์กลัวอารมณ์วิตกเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ทันนะเราไม่ค่อยรู้นะว่า มันมีผลต่อ ก, กายอย่างไรหรือว่ามันทําให้กายเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ถ้าเรามันมันรู้กายมันสังเกตกา ย, ยบ่อยๆมันก็พลอยทําให้เราอาจจะรู้ทันอารมณ์ได้ดีขึ้นหรือว่าช่วยทําให้เราผ่อนคลายหรือว่ารู้จักอารมณ์นั้นได้ดีขึ้นด้วยบางทีรู้นะแต่ว่ามันมันเข้าไปเป็นทุกทีนะไม่ทันจะรู้ก็เป็นแล้วล่ะ ให้รู้กับเป็นนี่ไม่เหมือนกันนะบางคนว่ารู้ว่าโกลัรู้ว่ากลัวแต่ะมันยังโกรธอยู่นะ <c oughs> ก็พอะตอนนั้นก็ไปเป็นแล้วมันรู้เป็นพักพักรู้ขนาดขนาดเสแล้วก็ไปเป็นอีกแต่ถ้าเราสังเกตอากับกิริยาร่างกายของเรานียมันก็ทําให้เรารู้ทันได้ไหวหรือว่าพอเรามาอยู่มารับรู้กายเนี่ย แล้วทำให้กายผ่อนคลายใจยก็ผ่อนคลายไปด้วยยังกายกับใจมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากอารมณ์กับอาการนี่หรืออากับกับยาของกายนี่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยลคนที่โกหกเนี่ยนะไม่ว่าจะจะทำให้เนียนยังไงนะมันก็แสดงออกได้ที่แววตา เช่นยิ้มเนี่ยยิ้มแบบยิ้มแบบเสแสร้งกับยิ้มแบบจริงใจเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างเลยสิ่งที่มันแตกต่างก็คือตรงที่แววตาเพราะกล้ามเนื้อที่เพราะกล้ามเนื้อที่คุมเพราะกล้ามเนื้อที่อยู่รอบตานี่มันสั่งไม่ได้นะไอ้กล้ามเนื้อที่รอบตาเนี่ยมันมันสั่งไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอารมณ์เพียวเลยคือถ้าดีใจเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่ดีใจ สั่งมันยังไงมันก็มันก็ไม่เปลี่ยนเราสั่งให้เราเราสั่งเราบังทับกล้ามเนื้อที่ปากให้ยิ้มได้นักแสดงก็ทำได้แต่นักแสดงไม่สามารถบังคับให้กล้ามเนื้อที่ตาเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงเว้นแต่ว่าจะมีอารมณ์นั้นจริงๆนะเช่นดีใจนะมันก็จะส่งผลต่อกล้ามเนื้อ รอบขอบตาเนี่ยดัยนั้นเขบอกเนี่ยอารมณ์เรียกว่าอะไรในตาเป็นหน้าต่างหัวใจก็คือความหมายนี่แหละนะเพราะว่ามันอยู่ในอำนาจของสมองส่วนที่คุมอารมณ์สมองควจะมีสองส่วนสมองส่วนเหตุผลกับสมองส่วนอารมณ์สมองส่วนอารมณ์นี่มันคุมหลายอย่างรวมทั้งคุมกามเนื้อที่ที่ตาด้วย เป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้นะแต่ว่าสมองมันส่วนที่เป็นอารมณ์มันสั่งได้อ่าชาติเนี่ยพูดกัเท่านี้นะครับ